ทรงอนุญาตขหะบดีจีวรหชนิดเรื่องผ้าเนื้อดีเนื้อหยาบ339สมัยนั้นจีวรทั้งชนิดที่มีเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบได้เกิดขึ้นแก่สงครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตจีวรอะไรบ้าง ไม่ทรงอนุญาตจีวร อ, อะไรบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตจีวรหกชนิดคือ 1. โขมัผ้าเปลือกไม้สองกัปปาสิกะผ้าฝ้ายส โกสยะผ้าไหม 4. กรกำพละผ้าขนสัตว์ 5. าสานะผ้าป่าน 6. พังคะผ้าที่ทำด้วยของผสมกัน 340. สมัยนั้นภิกษุผู้ยินดีข้าบดีจีวอนพากันรังเกียจไม่ยอมรับผ้าบางสุกุล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 แต่เราสันเสริญความสันโดษด้วยกีวรทั้งสองชนิดนั้น